บทภาชณีติกปาจิตตี944อุปสัมบันิภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันิจงใจก่อความไม่ภาสุต้องอบัตตปาจิตตีอุปสัมบันิภิก <travailler> ษ <gi> ุณีไม่แน่ใจจงใจก่อความไม่ภาสุต้องอบัตตปาจิตตีอุปสัมบันิภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสมบันิจงใจก่อความไม่ภาสุต้องอบัตตปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุณีจงใจบอกความให้ผาสุกแก่อนุปสัมปันต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมปันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมปันต้องอบัตทุกขกฎอนุปสัมปันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกขกฎอนุปสปัมปันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสัมปันต้องอบัตทุกขกฎ